ข่าวอยู่ข่าวหนึ่งน่าสนใจคือลุงคนดนึงอายุ72ปีอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้พาหลานไปทำธุระแล้วก็ทำเงินหายกระเป๋าเงินก็มีเงินจำนวนหมื่นซึ่งแกก็เก็บสะสมมาตลอดเพื่อจะไว้รักษาหลานแล้วก็ซ่อมแซมหลังคาบ้านพอทำเงินหายก็เสียใจมากไปแจ้งความคนก็สงสารนะ ข่าวนี้ก็กระจายไปไปทั่วโซเชียลเน็ตเวิร์ขอ้คนที่เก็บเงินได้เนี่ยนำเงินมาคืนแล้วแกก็จะแบ่งให้สองพันผู้คนเนี่ยพออ่านข่าวนี้ก็เกิดขอสงสารสงสารหลานที่พิการแล้วก็หน้าหนาวก็เริ่มมาเยือนแล้วน้ำใจก็เริ่มหลั่งไหลเข้ามาคนก็เริ่มโอนเงินเข้าธนาคารเข้าบัญชีแกตัววันก่อนก็มีดารานหนังฟิลม์มรักภูมิเนี่ย ก็โอนเงินให้ส 0,000 ่นบาทแล้วก็มีคนอีกมากมายเอะโอนเงินเข้าบัญชีกันตอนนี้ก็จากตอนแรกเสียไปหมื่นห้าตอนนี้ได้เลยสา 0,000 นแล้วแล้วคนคนที่เก็บงินได้ก็ส่งข้อความมาใน Facebook ว่าจะนาเงินมาคืนโดยไม่หวังเงินตอบแทนแม้แต่บาทเดียวอาตมาอ่านข่าวนี้ก็รู้สึกปลื้มใจตอนแรกก็สงสารนะคิดว่าลุงเนี่ยคงลาบากแน่เลยเงินเก็บสะสมมาต้องนานกว่าจะได้หมื่นห้า อันนี้แสดงให้เห็นถึงน้ำใจของคนทั่วไปเนี่ยเวลาคนเกิดความตกทุกข์ได้ยากเนี่ยจะช่วยเหลือไม่ทอดทิ้งในวิกฤตต้องมีโอกาสเสมอในเคาก็มีโชวอย่างที่พระาจารย์สารพู ด, ดบ่อยๆ่อแหละก็น่าปลืกุญ จ, จแทนลุงคนนี้ในเฟซบุ๊กเนี่ยก็จะมีจะมีข่าวของบินมาลลิต อ, อยู่เป็นระยะระยะช่วงหลังเนี่ยก็มีคนปลอมปลอมหน้าเพจแล้วหลอกให้คนเนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีไปต้องสองสามลาย ช่วงนี้บินก็ตกเป็นข่าวก็ฟ้องตำรวจก็จับผู้ต้องหาได้เพราะพวกนี้ฉวยโอกาสหากินบนฟา์มยากลำบากคนอื่นแม่ของบินก็มอบเงิ น, น2ล้านเนี่ยให้บิ น, นไปช่วยเหลือคนอื่นถ้าใครเห็นข่าวนี้ก็ปลื้มใจอธิมาไปดู Facebook ของบินมฤทธิ์นะก็มีเพื่อนหรือแฟนเพจเนี่ย7ล้าน400 000คนเวลาเขาโพสต์อะไรทีเนี่ยก็มีคนมากดไลค์เนี่ยหลักแสนเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเลย คนก็ชื่นชมคนทำความดีช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่ไหวังผลตอบแทนอาการที่ไม่หวังผลตอบแทนนี่แหละน้าใจน้ําใจก็วิ่งมาหาเขานะก็จะมีคนโอนเงินเข้าบัญชีให้อยู่เรื่อยหรือคนที่เขาช่วยเหลือเขาเห็นว่าเงินก้อนนี้เอามาช่วยคนที่ลาบากอ่ะคนที่ป่วยป่วยหนักคนที่ยากจนถูกทอดทิ้งคือทางบินก็จะช่วยเหลือสังคมก็สารเสริญยกย่อง แล้วแกก็ทําเสมอต้นสุดปนะก็หลายสิบปีที่ทำก็ทํานี้ไปตลอดเมื่อวานพระอาจารยสารก็พูดถึงการทําบุญที่ได้ที่สูงมากเพราะคนทั่วไปทําบุญไม่เป็นเนี่ยก็จะจ้องทําแต่พริยะบุคคลพอรู้ว่าใครเป็นพริยะก็จะทําด็กคนนั้นแหละแต่บางทีก็ทําผิดด้ก็ผิดก็มีคือว่าพระที่คิดว่าเป็นพระดิยะกลับไม่ใช่กลายเป็นอริยะก็หลายลายแล้วที่เห็นตามข่าวหนังสือพิมพ์ พระพุทธเจ้าก็สรรเสริญบุญที่ทาให้ไม่เจาะจมเนี่ยมีส่งมากกว่าอย่างทาบุญให้กับคณะสมหมู่ใหญ่มีมีมีสสงมากบางทีช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่หวังผลตอบแทนอันนี้ก็เป็นบุญแต่ถ้าคนไม่เข้าใจก็จะมองข้ามไปอย่างตัวผู้พูดเนี่ยก็เคยช่วยสัตว์แต่บางครั้ก็ช่วยยากเหมือนกันนะอย่างกินงกือเนี่ย โดนมดดำลากมดดำาโยมไม่รู้รู้จักหรือเปล่ามดดำตัวใหญ่อะมดดำเนี่ยกัดเจ็บแล้วก็มีพิษน้องๆพึ่งเลยแหละหมดชิ้นนี้นจะอยู่การแบบฝูงไม่ใหญ่นะจะไม่เหมือนมดงามจะดุร้ายมากจะไม่ยุ่งกับคนแต่ถ้าใครเดินไปเหยียบหรือใกล้เนี่ยเากัดทีก็แสบปวดแสบปวดร้อนเลยแหละเขาจะลากกิ้งกือเนี่ยเป็นขบวนเลยนะแถวที่แถวที่พักอัตมานเนี่ยบางทีเห็นปุ๊บเนี่ย เราจะถ่ายรูปแต่อีกใจนึงเฮ้ยไม่ได้เรา้องรีบช่วยชีวิตกิ้งกือไว้ก่อนวางกล้องแต่การช่วยเนี่ยบางครั้งก็เป็นเรื่องที่ทํายากเหมือนกันนะเราต้องหาไม้ที่ไม่ใหญ่เกินไปกิ่งไม้ก็ได้แล้วก็ต้องไปที่ตัวกิ้งเกือแหละพยายามเคลียร์ให้หมดออกเพราะมดพวกนี้ไม่ ย, ยอมนะถ้าเราพลาดเราก็โดนมดกัดคือเป็นงานละลายคือต้องไม่ให้หมดช้ำหรือมดตายด้วยแล้วกิ่งกือต้องรอดชีวิตอมามะก็ช่วยรอดไปหลายตัวแล้วแต่ก็เป็นเรื่องยุ่งยากเวลาช่วยเหมือนกัน และช่วยเสร็จมันก็พึ่มใจนะกิ้งคือก็ไม่เป็นอาหารของมดไอ้มดก็ถือว่าเองโชคร้ายที่ไปเจอข่าก็หาอาหารต่อไปก็แล้วกันแล้วก็ตุ๊กแกเนี่ยก็เคยช่วยไปหลายตัวกําลังโดนงูเขียวพอินีรัดที่จริงคนเข้าใจเรื่องงูเขียวพอินีรผิดนะคิดว่ามากินตับตุ๊กแกที่ไม่ใช่หรอกมันกินทั้งตัวแหละอย่างเมื่อวานนี้ก็มีข่าวทาง Facebook อะ่ะเขาถ่ายได้ต้นจนจบเลยนะ ประมาณสีบนาทีเนี่ยมันกินตุ๊กแกบตัวเลยแล้วมันก็เลื้อยไปหน้ารายเฉยเลยมันไม่ได้กินตับนะมันกินทั้งตัวอันนี้คือโล่งกว่าเป็นจริงแล้วตุ๊กแกจะกลัวงูเขียวมากเลยกลัวชีวิตที่ว่าถ้าอยู่ในกุฎเนี่ยมันจะวิ่งลนลานหน้าตาตื่นตุ๊กแกเป็นสัตว์ที่สงบเวลาอันตรายถึงชีวิตเข้ามาเนี่ยมันจะแตกตื่นมีสัญชาตญาณบางอย่างบอกถึงความกลัวตายไอ้งูเขียวพีอินเนี่ยมันขึ้นกุฎได้นะอันตมาเชื่อว่าทุกกุฎทุกหลังในวัดเนี่ย ไม่มีหลังไหนแล้วที่มันขึ้นไม่ได้เขาวิจัยไปแล้วมันมีพิษตอนแรกอาละมาคิดว่าตุ๊กูเขียวชิ้นนี้ไม่มีพิษถ้าไปกัดก็อาจจะบวมเหมือนกันแต่ถ้าก็ดีถ้าเจองูเขียวพะอินขึ้นกุดเนี่ยก็ระวังไว้หน่อยอย่าไปให้มันกัดก็แล้วกันถ้างูเขียวปากยิ่งจบน่ะไม่มีพิษเล่นได้เมื่อคู่หนึ่งอาลมาเดินมาก็เจองูเขียวหางไม้หน้ากุฏิแลหละสีสวยเลื้อยช้าหางไม้ไปเสียล้ำตาลหัวหัวเป็นลูกธนู ถ้าใครไม่รู้ไวเผือ จ, จับเล่นอ่ะสวยเลยแหละงูพิษแต่เลื้อยช้าแล้วงูเขียวหางไม้เนี่ยมันกลมขึ้นกับต้นไม้นะบางทีมันไปไปอยู่ตามต้นไม้ถ้าอยู่ ใ, ใกล้ไม่ระวังเนี่ยก็อาจจะโดนเป็นฉกได้ว่ามันตกใจพวกคนชาววัดก็ต้องระวังงูเขียวงูขียวหางไหมแล้วที่อันตรายก็งูงูตัว เ, เล็กๆอะ่ะที่เป็นอคอที่มีลายมีเขาเรียกงูสาบมีพิษมีพิษน้องๆงูเห่าเลยนะกัดถึงตายได้งูสาบคอแดงแนะ งศ์ทีตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่บาทีเราประมาทคิดว่าสีมันสวยไปจับเล่นอะไรเงี้ยถ้าเป็นงูเหา่าจงอางเนี่ยระวังง่ายเพราะตัวมันใหญ่แต่ถ้าเป็นงูงูเห่าตัวเล็กก็ระวังยากเหมือนกันอันตรายอีกงูตัวเล็กก็กัดตายเหมือนกันนั่นประมาทไม่ได้เลยทุกวันนี้ในวัดเราเนี่ยมัจจุราชก็เยอะมัจจุราชมีเสนามากมีสิ่งอันตรายเยอะจะต้องระวังถนนก็ลื่นช่วงนี้ฝนตกชุกอาจทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ถ้าเดินสุ่สมซ่าบหรือรีบร้อนเกินไป มีอยู่วิดีโอคลิปหนึ่งชมแล้วก็เกิดคาประทับใจในกล้องเนี่ยเขาเน้นไปที่เด็กคนหนึ่งเนี่ยกำลังเดินมาต๊อกๆ๊สักพักหนึ่งสายรองเท้าก็หลุดเด็กก็มาหาหาที่นั่งพักแล้วก็ถือรองเท้ามาดูนะรองเท้าคู่นี้เก่ามากรูก็ใหญ่รูที่สายหลุดเด็กก็ใส่หัวเพราะเด็กนี่ยากจนรองเท้าแตะคู่เก่าๆสักพักหนึ่ง กล้องก็โฟกัสไปที่รองเท้าคู่ใหม่รองเท้าหนังหรือรองเท้าที่นักเรียนใส่อ่ะเด็กที่ใส่มาก็เอามือเอาผ้าเนี่ยเช็ดรองเท้าอยู่เรื่อยเลยแสดงว่ารักรองเท้าคู่นี้มากสักพักหนึงเด็กคนนั้นก็มานั่งรอรอรถไฟพอสัญญาณรถไฟตีดังเนี่ยก็ยังเช็ดรองเท้าอยู่เลยแล้วคนก็เบียดขึ้นรถไฟกันจังหวะคนที่ชุนลมุนเนี่ยเด็กคนนี้ก็ถาบรองเท้าเดี่ยหลุด รถไฟก็ออกไปไม่สามารถมาเก็บรองเท้าข้างนี้ได้เด็กชายที่รองเท้าขาดเนี่ยนั่งมองอยู่เห็นรองเท้าผู้นี้ก็เดินมาเก็บแล้วมากาะชื่นชมไว้สักพักหนึ่งด้วยจิตสามารถสำนึกเนี่ยถึงจะอยากได้ต้องรีบไปคืนเจ้าของก็เลยวิ่งตามรถไฟไปตอนเนี้กล้องก็จะโฟกัสไปที่เด็กสองคนเน่ยเด็กเจ้าของรองเท้ากับเด็กที่จะคืนรองเท้า เด็กคนทวิ่งสุดชีวิตเลยเพื่อให้ทานรถไฟแต่มันเท่าไหร่เท่าไรก็ไม่ทานอานเด็กคนนี้ก็ยื่นมือมาจะรับรองเท้าก็ไม่ทานเหมือนกันจนเด็กคนที่ท้อใจรถไฟก็วิ่งออกห่างไปห่างไปก็เลยเฟี้ยงรองเท้าให้เพื่อจะรับได้เด็กอยู่บนรถไฟก็รับไม่ได้เจ้าของรองเท้าก็บองด้วยกว่าหมดหวังสักพักหนึ่งนึกขึ้นมาได้จึงค่อยๆถอดรองเท้าข้างที่เหลือเนี่ยแล้วเฟี้ยงไปให้เด็กคนที่เก็บรองเท้าให้แล้วก็ยีมโบกมือไว้บาย เด็กคนที่อยู่ข้างล่างก็เก็บรองเท้าแล้วก็บายๆเรื่องนี้ก็จบลงด้วยดีอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงน้ำใจซึ่งกันและกันคนเราเห็นอีกคนนึงเดือดร้อนก็อยากจะช่วยถ้าใครชมแล้วก็จะเป็นเรื่องที่สร้างสรรนะต้นฉบับน่าจะเป็นของมหาตมะคันธีเรื่องเท้าข้างเดียวแหละแล้วเข้ามาสร้างเป็นวิดีโอคลิปความเมตตาของเพื่อนมนุษย์เนี่ยก็สามารถดึงความเมตตาของคนอื่นได้ อย่เมื่อวานเนี่ยทำมาแนะนําวีดีโอเรื่องหนึ่งลงลง u t u b e เรื่องนี้อามาทําเป็นวานในวันเมื่อวานเนี่ยความตั้งใจอยากให้ผู้ชมเนี่ยได้ชมอามาเอามาตัดต่อเอามาแปลงไฟล์คือเรื่องชีวประวัติของเว่ยหลังพระสังประริญายกองที่หกของจีนหรือของเซนดังเรื่องนี้รู้สึกว่าฟาร์มเก่าเนี่ยก่อนที่อาลมาจะเกิดด้วยมั้งสมัยก่อนเนี่ยหนังมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่หรอก ที่ยู u ูบออมาดูนะมันจะมีอยู่มีอยู่เจ้าที่มาลงอะ่ะอีกเจ้าหนึ่งเนี่ยเรื่องนี้ใช้ใช้พื้นที่10งตอนนะซึ่งเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับคนมาชมแล้วก็ไฟล์ก็ไม่ชัดเป็นไฟล์3ามสามดูภาพก็เบลอบ อ, อีกเจ้าหนึ่งทำต้อง3ตอนแล้วก็ไม่ชัดเหมือนกันอันมาก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราเอาเอาไวลังฉบับที่ทำเป็นตอนเดียวเนี่ยผสมไฟล์ แล้วก็ไฟล์ใหญ่หน่อยไอ้คนก็ชมเนี่ยจะเกิดประโยชน์มหาศาลเลย mm hmm. ว่างเลยทําทดลองดูทําไปแล้วแปลงไฟล์แล้วไม่ถูกใจก็ลบทิ้งทําใหม่ความยาวของไฟล์นี้ก็ทําไปมากลายเป็นกิ๊กกว่าเลยจากตอนแรกไม่ไม่ถึงอะแปลงให้ไฟ ใ, ให้ไฟลละเอียดจุดเด่นของเรื่องนี้ก็คือมีทั้งธรรมะระดับปรมัตน์ขั้นสูงไปเลยแล้วก็ธรรมะแบบพื้นพื้นนั่นแหละช่วงที่เวลางารู้ํามแล้วนะ สั่งพระยาโยกองค์่ห้าเนี่ยก็ให้หนีไปก่อนห น, หนีหนีลงไปทางใต้เนี่ยช่วงนี้ยังไม่ให้เผยแพร่กพือไปอาศัยอยู่กับผู้พานช่วงนี้เป็นช่วงที่ใช้ชีวิตแบบลำบากอาหารเนี่ยบางทีมีเนื้อสัตว์เนี่ยวัยหลานก็ไม่ทานเนื้อสัตว์นะก็ทานผักก็คือเจคือแหละจะไม่กินเนื้อสัตว์บางครั้งพวกสัตว์ะติดแล้วติดบ่วงเนี่ยวัยหลานก็ไปแอบปล่อยต้องหลายครั้ง หรือบางทีผู้หญิงไม่แอบชอบจนสร้างความหมั่นไส้กับคนที่ชอบผู้หญิงเนี่ยก็บัลรังแกอยู่เรื่อยก็ไม่เคยโต้อตอบถูกทำร้ายก็ไม่โกรธให้อภัยตลอดจนตอนหลังเนี่ยสามารถชนะใจคนที่รัลังแกเนี่ยซื้อใจกันเลยกลายเป็นนับถือกันคันได้เวลาสมควรก็เดินทางมาเพื่อเผยแพร่ธรรมะคือบวชอะคือเรื่องขอ ง, วงเวลาก็เกิดอายุ ข, ของพระนางบูเชกเทียน ข้าเกี่ยวระหว่างรัชวุบงถังพอบวชแล้วนี่ก็เผยแพร่ธรรมะได้กว้างเลยทําประโยชน์มหาศาลให้กับยีกไกรเซนจะจุดเด่นของเรื่องนี้ก็คือทําให้คนดูเนี่ยประทับใจเพราะเรามาดูเนี่ยบางทีอาจมาเสียน้าตาเลยนะหลายหลายฉากซึ้งใจว่าคนในโลกเนี้ยจะมีคนดีขนาดนี้เชีวหรือคือทําแบบไว้หลังได้นยากมากเลยนะคนที่โดนรังแกคนที่โดนเอาเปรียบก็ไม่โกรธให้อภัยตลอด แล้วมีน้ำใจช่วยเหลือมีน้ำใจเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์แต่ถ้าใครได้ชมวีดีโอชุดนี้่หรือเรื่องนี้อาจจะเปลี่ยนทานักคติก็เลยก็ได้พอังสี่ดีเราก็ต้องแบ่งปันเราให้สี่ดีคนอื่นเราก็ได้รับสี่ดีเหมือนกันอย่าบางคนเนี่ยเกิดปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกเนี่ยพอดีอ่านข้อคิดข้อเขียนที่นำมาโพสลงใน Facebook เนี่ยขอพาะใจเปสารเนี่ยบางคนปัญหานั้นก็หลุดเลยนะมีหลายคนเนี่ย ขอบใจทางเฟซเลยบอกโยมมันนคิดะไรไม่ออกเลยเพออ่านปัญหาที้ปิ๊งขึ้นมาหลุดเลยหลุดจากอารมณ์นั้นปรับทนาติใหม่วางใจใหม่ได้เลยเพราะคนเราเนี่ยจะมีบางครั้งเหมือนเส้นผมบางภูเขานะมันคิดอะไรไม่ออกนะช่วงที่เกิดวิกฤต์เนี่อกหักคนรักตายของหายหรือเกิดเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยหรือป่วยไขย้แต่พอมีคนมาบอกเนี่ยให้วางใจใหม่ความทุกข์อันนั้นก็หายไปเลย ทวมาก็ทำมาหลายปีจนเขาก็เชื่อถือว่าเสิ่งที่เราทำเนี่ยเรานําสิ่งดีมาให้แก่คนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนเพจเราไม่มีการเรียลลัยไม่มีการบอกบุญคือให้ทำทานจริงๆแล้วเราก็ทําเสบอือต้นเสือไปมาตลอดอยังมีนิทานอยู่เรื่องหนึง่งเป็นนิทานของเดนมาร์กมีชายคนนึงเนี่ย น, นอนหลับอยู่นางฟ้าใจดีก็บอกพาไปชมนรกชมสวรรค์ไปถึงที่แห่งหนึ่งนะ นางฟ้าก็บอกชายหนุ่มคนนี้ว่าตรงนี้แหละเป็นนรกเข้าไปในห้องเนี่ยจะมีห้องยาวเลยแล้วมีโต๊ะอาหารแล้วก็มีคนนั่งทานอาหารกันแต่ที่น่าสังเกตก็คือคนที่รับประทานอาหารเนี่ยหน้าตาจะผอมไม่มีความสุขผอมซีดอาตาอมโรคแทบทุกคนเลยแต่อาหารบนโต๊ะเนี่ยเป็นอาหารหลูอาหารหน้ารับประทานทั้งนั้นเลยจึงถามสาเหตุ นางฟ้าก็บอกว่าที่เนี่ทุกคนสามารถตักอาหารกินเองได้กินอาหารอะไรก็ได้อร่อยๆงั้นแต่มีเงื่อนไขยอยู่ข้อหนึ่งจะต้องใช้ช้อนเนี่ยยาวหนึ่งเมตรตักทําให้เนี่ยผู้ที่ตกโลกเนี่ยไม่สามารถตักอาหารเข้าปากได้พอจะตักเข้าปากมันก็หกออกหกออกไม่ได้กินทันทีจึงทําให้ผอมหลังจากชมห้องนรกเสร็จนางฟ้าก็พาไปชมห้องสวรรค์บ้าง ห้องสว่างนี้ก็ขายกับห้องแรกกัแหละแต่ที่น่าสังเกตคนในห้องนี้เนี่ยหน้าตายิ้มย้มแจ่มใสอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีทุกคนเลยบนโต๊ะก็มีอาหารอร่อยอ่อยน่ารับประทานแล้วก็มีกติกาค้ายกันก็คือใช้ใช้ช้อนเนี่ยยาวถึงเมตรใช้ดุ่มจึงถามนางฟ้าว่าทําไมคนที่นี่จึงมีความสุขแลว้วอ้วนท้วนสมบูรณ์นางฟ้าก็บอกว่าคนนห้องนี้เนี่ยเวลาตักอาหารเนี่ย เขาไม่ได้ตักเข้าปากตัวเองนะเขาตักเอาไปเข้าปากของเพื่อนร่วมห้องกันแหละคนนี้ก็ปอ้อนในคนนี้คนนี้ก็ปอ้อนในคนนู้นอาหารก็เลยไม่หกเพราะช้อนยาวหนึ่งเมตรแต่และค น, นก็ได้กินอาหารอร่อยกันทั่วห้องเลยเพราะการแบ่งปันความสุขไงนะพอแบ่งปันให้คนหนึ่งมีความสุขความสุขแล้วก็วิ่งมาหาเราทันทีแต่ห้องของคนที่ตกระลกเนี่ยห้องนี้ถึงมีช้อนเหมือนกันแต่ว่าทุกคนเนี่ย จะตักอาหารเข้าปากตัวเองคือเห็นก็นตัวไงจะไม่ช่วยเหลือไม่เ อ, อื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพราะฉะนั้นก็เลยต้องรับความทุกข์เพราะไม่สามารถทานอาหารได้อันนี้ถ้าเปรียบกับคนในโลกเนี่ยทุกวันนี้ถ้าใครยิ่งให้ความสุขคนนั้นก็จะมีความสุขนะคือยิ่งให้ยิ่งได้แต่ถ้าใครขี้เหนียวกอบโปยช่อบฉวนหลอกลวงหามอยู่ส่วนตัวเนี่ยคนนั้นจะไม่มีความสุขเลยอันดับแรกเนี่ย คนรู้จักก็ไม่ค่อยรักแล้ะเขาจะบอกเอ้ ย, อยคนนี้เห็นก็นัวยที่ขี้เหนียวแต่คนไหนเป็นคนใจดีคนก็อยากคบค้าสมาคมด้วยคือใครเห็นก็อยากให้ของให้อะไรแต่คนไหนขี้เหนียวคนก็บอกไอ้นี่เนี่ยใจแคบมันจะมีธาตุที่ผักออกคนก็ไม่อยากจะให้ของเมื่อก่อนหลวงพ่อปัญญาก็เขียนในหนังสือบอกว่ายิ่งให้ก็ยิ่งได้อันมาก็จะไม่ค่อยเชื่อต่อหลังนี่นมาเชื่อเพราะยิ่งให้ยิ่งได้จริงจริงคนที่ให้จะไม่ค่อยจนหรอกแต่คนที่ไม่ค่อยให้อจะจนที่นรกมีทายอยู่เรื่องหนึง่ง นี่ทางเกี่ยวกับนรกนี่แหละมีวิ ญ, ญญาณสองตนเนี่ยกำลังพ้นโทษยมพบาลก็เรียกตัวมาเพื่อจะให้ไปเกิดแต่พอยูพบาลใจดีนะคือให้โอกาสสองคนนี้ได้เลือกเกิดได้คือไปเกิดเป็นผู้ให้และผู้รับคือต้องให้ทั้งชีวิตถ้ารับก็รับทั้งชีวิตวิ ญ, ญญาณตนแรกเนี่ยยกมือขึ้นอย่างเร็วเลย แล้วขอไปผู้รับโรพยาบาลก็บอกว่าเจ้าเนี่ยมีสายโลภมีสายโลภเห็นกตัวไปเกิดไปขอทานก็แล้วกันเพราะตลอดชีวิตเนยากขอทานเนี่ยรับทั้งชีวิตเลยไม่ต้องให้ส่วนอีกคนหนึ่งไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีแล้วก็ต้องให้ตลอดชีวิตเลยคือต้องช่วยเหลือคนยากคนจนต้องตั้งโรงทานต้องช่วยคนที่ตกทุกข์ได้ยากตลอดชีวิต พยพบาลพูดจบเนี่ยวิญญาณสองตนก็อึ้งเลยมันไม่รู้จะทำไงยพยบาตัดสินไปแล้วสมัยก่อนอนะ่ะมาฟังหลวงพ่อประยอมนะท่านพุทธมานี่ยท่ า, ทานาจะพูดบ่อยๆนะจิตที่คิดจะให้ย่อมดีกว่าจิตที่คิดจะเอาโกดคืองโง่โมโหคือบ้าอาคาตใครก็เหมือนจุดไฟเผาตัวเองตอนที่อามาเป็นวัยรุ่นเนี่ยพอได้ฟังเขาด้วยบ่อยเนี่ยเราก็สะดุดใจนะเพราะเราก็คิดไม่เป็นหรอก ตอนนั้นไทยก็เล่าเรื่องเด็กหญิงวลีที่กระต่ายยูต่อแม่เนี่ยจะต้องวิ่งกลับบ้านทุกวันบ้านก็อยู่ห่างจากโรงเรียนตั้งหลายกิโลเพื่อมาดูแลแม่เราฟังแล้วเราก็ซาบสูงใจนะมาตอนหลังเนี่ยอันมาเนี่ยก็ซื้อเทปเนี่ยไปแน่แต่มาฟังค่อยปลูกฝังคุณธรรมแล้วค่อยพาไปเข้าวัดเข้าวาจนตอนหลังเนี่ยเปลี่ยนความคิดได้เลยตัวอันมาก็เปลี่ยนนะเพราะว่าเราจะดูถูกธรรมะคันศีลธรรม เขาธรรมะขั้นศีลธรรมนี่แหละจะลาคนมาหาธรรมะอย่างอื่นทั้งหมดเลยแต่ถ้าคนที่พูดธรรมะเนี่ยพูดได้เป็นเนี่ยก็เป็นผู้ธรรมะขั้นสูงขั้นปรามะขั้นอิปานขั้นหลุดพ้นอะไรพวกนี้คนไม่ค่อยฟังกันหรอกประโยชน์ก็ไม่มีบางคนจะมีความเข้าใจธรรมะไม่เหมือนกันบางคนไม่มีพืชธรรมะเลยเนี่ยคือพูดธรรมะกันไม่ได้ด้วยทํางไปก็ต้องอาศัยการกระทําค่อยๆดึงเขาเข้ามาแต่บางคนมีนิสัยอยู่แล้วก็สามารถเข้าใจธรรมะขั้นสูงๆได้เลยบางคนไม่มีนิสัย ฟังไปก็หลับไปธรรมะขั้นปรมันเนี่ยจะมีคนฟังน้อยมากขั้นหลุดพ้นขั้นนิพานเนี่ยจะมีไม่กี่คนหรอกส่วนมากเป็นระดับศีลธรรม เ, เยอะอย่างถ้าไปเทศข้างนอกเนี่ยไปเทศเรื่องตามงานศพหรือเทศเรื่องบุญอะไรเงี้ยคนฟังจะได้ประโยชน์เทศเรื่องบาปบุญคุณโทษทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยเพราะถ้าคนฟังแล้วเกิดประโยชน์ปุ๊บเนี่ยเขาก็นำมาใช้ชีวิตได้ทำให้เขาเปลี่ยนธนกติได้อย่างมีเรื่องเล่าอะหลวงตาอยู่คนหนึ่งเนี่ย กำลังให้สีนนะหลวงตานี่ก็ให้สินช้ามากเลยการฆ่าสัตว์เนี่ยก็ดีการลักทรัพย์ก็ดีการเป็นชู้กับลูกเมียคนอื่นก็ดีการโกหกก็ดีการกินเหล้าดูบุหรี่ก็ดีท่านผู้ชากลุ่มวัยรุ่นอยู่กลุ่มหนึ่งพอฟังแค่นี้ก็โอ้โหหลวงตานี่ดีหมดเลยแล้วก็รีบไปทันทีเลยฟังจบ หลวงตาจยะยสรุปไม่จบเลยทำให้คนเนี่ยเข้าใจเรรมาผิดๆได้พอเข้าใจผิดปุ๊บเนี่ยชีวิตก็เดินทางผิดธรรมะถ้าคนเข้าใจเป็นเนี่ยก็ะนำมาใช้ประโยชน์แต่ถ้าเข้าใจผิดเนี่ยก็กลายเป็นใครมีศีลถือศีลก็เอาศีลเนี่ยข่มคนอื่นว่าตัวเองเป็นคนดีมีศีลห้าศีลแปดมีศีลสองรอยีิบเจ็ดศีลสิบอะไรเงี้ยข่มไปแต่ถ้าคนเข้าใจเนี่ยในสมมติเนี่ย ก็อย่าไม่ติดในสมมุติเราเอาศีลเนี่ยมาเพื่อใช้กับตนเองไม่ได้ใช้คนอื่นไม่ได้บังคับคนนู้นนี้ใครทําดีก็ได้ดีทําชั่วได้ชั่วเรื่องนี้เป็นอากาลิโกการปฏิบัติธรรมเหมือนกันบางคนปฏิบัติธรรมเห็นนู่นเห็นนี่เล็กๆน้อยก็มาเที่ยวคุยโวโออวดว่าเก่งอย่างคนน้เก่งนี้ยิงไม่ใช่หรอกการปฏิบัติธรรมเพื่อลดละอัตราลดละตัวตนลดละความยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเป็น โสดาบันเป็นนู่นเป็นนี่อะไรสักอย่างธรรมะเป็นเรื่องของการทิ้งการสละการลดความเห็นแก่ตัวแต่ถ้าเป็นเรื่องเอานี่เอาเข้านี่ไม่ใช่หมดเลยเอาเข้าอยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่เป็นอาจารย์เป็นอาจารย์วิปัสนาอาจารย์เป็นอะไรที่มีเกียรติคนยกย่องเสีเแิ้วเือนะไม่ใช่เดินผิดทางทั้งคนเขา้ขาใจธรรมะจริงก็คือทําลายความเห็นแก่ตัวให้ได้ให้อ่อนน้อมถมตนมาก ใช้ชีวิตได้ปกติเห็นต้นไม้ก็เป็นต้นไม้เห็นคนก็เป็นคน น, นะบางทีบางคนเนี่ยเข้าใจธรรมะผิดนะเห็นคนก็ไม่ใช่คนเห็นต้นไม้ก็ไม่ใช่ต้นไม้ทําให้พอเข้าใจผิดแล้วก็สอนผิดก็ไม่เกิดประโยชน์ทั้งตัวเองและคนอื่นคนที่รู้ธรรมะก็จะรู้ ว, ว, รว่าเราเนี่ยมีกิเล่ลบกดหลงนะเห็นความไม่ดีของตัวเองกันแหละพอเราเห็นความไม่ดีของตัวเองก็เหมือนกับรู้ว่าเราเนี่ยป่วยเป็นโรคอะไรบอกรักษาเราได้แต่เราไม่รู้ว่าเราเป็นโรคอะไรหมอรักษาไม่ได้เหมือนกัน บางทีเราเห็นแค่ตัวแต่เราก็หลอกตัวเองว่าเราเป็นคนใจดีระเบิดขี้โกรธเราก็บอกว่าเราเป็นคนไม่ใจตาเราเป็นคนโลภมากอยากได้สินของแ ต, แต่เราก็บอกว่าเราเป็นคนที่ไอ้นี่เน่ยไม่โลภขี้เฉ า, าบอกไม่ขี้เฉาใจน้อยก็บอกไม่ใจน้อยเรื่องนี้จะไปแก้ไขได้ไงแก้ไขไม่ได้แต่ถ้ารู้ว่าเราเป็นคนยังไงปุ๊บเนี่ยเราแก้ไขได้ธรรมะ จ, จะดีตรงนี้แหละเป็นเรื่องแก้ไขปรับปรุงตัวเองอย่างคนมีกลิ่นปากเหม็นเนี่ย ถ้าไม่รู้ตัวเองมีกินปากเหม็นเนี่ยไปพูดอะไรใครคนอื่นเขาเขาก็เหม็นเจ้าตัวไม่รักษาก็แก้ไม่ได้คนมีกินตัวเหม็นไม่รู้ว่ากินตัวเหม็นหรือตดเหม็นก็แก้ไม่ได้เหมือนกันแต่ถ้าเรารู้ตัวปุ๊บการรักษาก็เริ่มเกิดขึ้นสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองได้ให้โลกเราก็อยู่ด้วยความเมตตาช่วยเหลือซึ่งกันและกันโลกนี้ก็จะมีความผาสุก บางครั้งเราต้องไม่หวังผลตอบแทนนะอย่าง น, นมาเมื่อก่อนเนี่ยทุกปรรหาเราจะปล่อยปลาไปไปทิศาบาเเเ า, า, าเนี่ยเจอเจอรถมาขายปลาเนี่ยนมาจะเหมาบดรถตลอดเลยมีภาษานี้ยังไม่ได้ปล่อยรถรถมาขายปลาก็หายไปไหนก็ไม่รู้ไม่ค่อยมีนะเมื่อก่อนเนี่ยจะมีมาเจออยู่เรื่อยทุกเช้าเลยตรอกตั้งใจไว้เลยช่วยทีแล้วช่วยหมดรถไม่ลําเอียงทุกครั้งที่ปล่อยเนี่ยเราก็ไม่ขออะไรจากเขานะก็ขอให้เขามีความสุขมีความสุขยิ่งขึ้นไปรักษาตนอย่ายโดนจับอีก มาก็ไม่ได้หวังว่าช่วยเราต้องได้บุญอะไรเงี้ยก็ทํามาตลอดแต่ถ้าเราตั้งจิตผิดแล้วก็อยากให้ปลาช่วยเราทําบุญเล็ ก, กน้อยก็อยากให้ผลบุญตอบแทนอันนี้ก็เป็นการเข้าใจเรื่องบุญผิดการทําบุญที่จริงก็คือการลดความเห็น่อแค่ตัวแหละสลาสลกากความเหงือแค่ตัวมากก็ได้บุญมากปางหรั้งเราสามารถทําบุญได้ตื่นมา เ, นจเจอเข้าซ่วมเนี่ยบางทีเราเจอกิ่งคือตกในคอหานเงี้ยหรือเจอมด หรืเจออะไรก็ได้ที่มันขึ้นไม่ได้จิ้งหลงจิ้งหลีดเนี่ยประมาณที่บ่อยนะบางทีต้องเอามือเนี่ยล้วงไปในคอาหานเพื่อเอากิ้งคือหรือสัตว์อะไรที่เป็นตกเนี่ยนะขึ้นมาถาม่กาก็รอดชีวิตเราเห็นเราต้องรีบช่วยทีเลยว่าชีวิตเขาก็มีคุณค่าอย่างที่อาจารย์ไปสารพูดเ่ยเราเห็นคนอื่นตกทุเรียบยากหรือเสียสัตว์เนี่ยเราช่วยทนทีเลยเห็นงูกินตุ๊กแกเรา้อรีบช่วยเขาละหรือเห็นกิ้งคือโดนมดลากไปกินเรา้อรีบช่วยเพราะเมตตาธรรมเนี่ยครัจุนโลก แล้วเราก็จะดึงความดีจากสรรพสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้เกิดขึ้นได้ดีต่อดีชั่วก็ต่อความชั่วอันมาพูดมาก็เห็นว่าสมควรกับเวลาก็ขอให้ความสุขความเจริญธรรมจงมีแก่จะไดธรรมทุกท่านขอจบลงแค่นี้